อาจจะดูไม่ทันสมัยธรรมดาไม่น่าสนใจไม่ผิดถ้าเธอไม่มองความในใจที่บอกไปแล้วเธอยอมฟังก็ดีเท่าไรไม่กล้าจะไปเรียกร้องจะห้เป็นเพื่อนก็ได้ไม่ว่ารองยังไม่รักก็ยังไม่ต้องบอก ก็ได้ไม่ต้องรีบรอ้อนได้บอกกับเธอว่ารักมันก็เกินพอถ้ามีสิทธขอฉันก็ขอรับเธอหมดใจเป็นแค่ผู้ช้บันนอกไม่คิดมากมายเธอว่าไงก็ว่าตามนั้นแต่เธอบาังเอิญเธอ อาจจะเฉยเกินไปสักนิดอาจจะตินที่มันบานปลยไม่มีอะไรเลิศเลอคนเดินดินก็มีเท่านี้มันก็มีแค่เพียงหัวใจหัวใจที่มันรักเธอเธอหายเป็นเ่อดก็ได้ไม่ว่ารอยังไม่รักก็ยังไม่ต้อง มีสิ่ธิ์ขอฉันก็ขอรักงเธอหมดใจแต่แค่ผู้ชายบนนอไม่คิดมากมายจะว่าไงก็ว่านามนั้นแต่ถ้าบังเอิญเธอยากจะรักกันก็ยอดเลย